เอาตอนนี้ไปตั้งใจฟังโอวาทหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมธนิยกถาประจําวันพระเป็นแนวความคิดแก่คณะชาติญาติโยมลูกหลานทุกๆ ท, ท่านที่มาสู่วัดหลวงพ่อแห่งนี้และก็วันนี้เป็นวันพระเป็นวันสําคัญหลวงพ่อจะได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนําสั่งสอนลูกหลาน ให้รู้จักว่าจิงไหนควรทําจิงไหนควรคิดนี่ยถ้านว่าจิงไหนคิดไอ้คิดก็คือความนึกคิดคิดยังไงมันจึงจะถูกต้องแล้วทำยังไงมันจึงจะถูกต้องพูดยังไงมันจึงจะถูกต้องเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนากายยกรรมวิจีกรรมมโนกรรมกรรมคือการกระทําทางใจทางความประพฤติการกระทําและก็ทางวาจาคือการพูด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 ไม่เชื่อในทำคาสั่งสอนไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษปีมีนรกสวรรค์มีตายแล้วเกิดอย่างนี้ถ้าเราไม่เชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหาะเหมือนกับเราคว่ำตุ่มหรือควา่าปากกระมังถึงจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรก็ไม่เข้าเพราะาไรเพราะเราไม่เชื่อแต่ถึงยังไงเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ควรจะฟังเอาไว้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 บรรพบุรุษของพวกเราจึงยึดนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราหงายภาชนะหรือ ว, ว่าหงายตุ่มมารองรับฟังธรรมเทศนาซึงจะไม่ใช่ของหลวงพ่อก็เถอะนะให้องค์อื่นๆก็เหมือนกันถ้าพูดเป็นศีลเป็นธรรมแนละ้วให้พวกเราศึกษาให้พวกเราฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วพวกเราจะนําไปประพฤติธปฏิบัติปรปับปรุงกายวาาย่าใจใจของพวกเราพวกเราก็จะ เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบและกัการกระทาก็ชอบการพูดก็ชอบนะเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราได้ฟังเราเร า, เราได้ศึกษาแล้วนะพอได้สุตตะมยะปัญญาเกิดปัญญาจากการได้ยินได้ฟังแล้วนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านลูกหลานทุกคนนะทัศไทยญาติโยมที่ได้มาสู่วัดวาศาสนา ม, มาสู่วัดหลวงพ่อหรือว่าไม่ได้มา เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปคิดไปพิจารณาอ่าอันนี้หลวงพ่อจะพูดเป็นพื้นฐานซะกอนะ่อนนีอ่าพื้นฐานก็คือพวกเราเป็นอยู่อย่างไรในเขตอำเภอนายูมนำ้ำโสมในเขตที่พวกเราได้ยินสถานในวิทยุเนะี่ยเมื่อวานเมื่อเช้าวานเนะี่ยหลวงพ่ออ่ก็ไปเนี่ยเดินบิทาบาทไปเห็นคณะจัทตาญาติโยมลูกหลานเอาอยาง เ, าเศษยางมาขายห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 ขณะนี้ถ้าจะว่าไปเลยกับเหมือนกับน้ำโขงมันขึ้นนะน้ำโขงน้ำโมลมันขึ้นแต่ไม่ถึงกับท่วมนะมันขึ้นพวกนั้นพวกเราคนต้องรีบตักนะรีบตักหาตุ่มหาโอ่งมาใส่ไอ้ไข่ไว้ยางราคามันตั้งห้าสิบหกสิบาทเนี่ยมันจะหาได้ที่ไหนครอบครัวของเราก็มีเงินหมุนเวียนในครอบครัวนี่แหละ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 นี่คือคนเล่นการพนงการบรันเทเที่ยวจำเมลเทมเมาให้ามาเป็นเจ้าของสมบัติอันนั้นหลวงพ่อจะพูดอีกที่หนึ่งแต่หลวงพ่อจะเน้นข้อที่สาว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติคืออะไรเมื่อพวกเราขายยางได้แล้วพวกเราใช้เงินอิรุยชุยแชกจ่ายไปแบบไม่คิดไม่อาจพูดง่ายง่ายเหมือนกับ น, น้ำตุ่มค้นรั่วใจของเรามันรั่วแต ใ, ใจของเรามันรั่วคือไม่รู้จัก แ บ, แบ่งแยกแยะถึงจะหามาขนาดไหน เ, เขียวขําย่าคืนไปกรีดยางได้เงินมามากขนาดไหนแต่พวกเราเห็นอะไรขวางหน้าซื้อทั้งหมดโดยเฉพาะแม่บ้านาแม่บ้านคือภันยาของเรานะเนี่ยแม่บ้านเนี่ยไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักงำนะอันนี้แปลว่าตุ่มคนรั่วเหมือนกันพวกพ่อบ้านก็เหมือนกันท้าพ่อบ้านอาพอได้เงินมาเข้ามือแล้วกันนะั้นไปหาเหลการพอนองพนัน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 อันนี้แหะคืออบายยมุกในหลักของพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อมันเน้นจุดที่ว่าเล่นการพ น, นันนะเพราะนั้นเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพ น, นันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียฉาค้านทําการงานมันจะไปในลักษณะนั้นทาเ์ฮาวเพราะนั้นเป็นหนทางแห่งความจิบหายของพวกเราเพราะนั้นอย่าให้พวกเราคณะจัทตาลูกหลานทั้งหลายนะเมื่ อ, อได้เงินได้ในทรัพย์สมบัติมาแล้วด้วยความยากลําบาก ก่อนที่เราจะได้เศษยางมาขายนะ่ดูซิเกี่ยวคำย่ำคืนเสียงต่ออสรพิษอีกต่างหาดไม่รู้ว่างูไม่รู้ว่าจะขาบที่มันจะกัดเท้าของเราก่าจะได้เงินมาเพราะนั้นเมื่อได้เงินมาแล้วให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ลูกคนไหนที่จะไปลงลรําโรงเรียนก็ให้มีวินัยในการใช้เงินลูกหลานไม่ใช่ว่าเราได้เงินมาแล้วก็เราจะแบ่งปันให้ลูกหลานใช้ใลุยชูยแจกวางหน้าอะไรซื้อหมด ขี่โมอเตอร์โโส่งมอเตอร์ไซค์ชนกันไปเดะไปหมดโผล่ในสุดขนาดลูกหลานของเร า, าประสบอุบัติเหตุแล้วก็นั้นะเงินคําทรัพย์สมบัติเพล่เพลจะได้ขายสวนยางอีกต่างหากทีนี้นี่แหละในหลวงพ่อเป็นห่วงคือนเขาแบบไม่รู้จักประมาณในการใช้เงินนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรารู้จักประมาณในการใช้เราจะใช้อย่างไงจึงจะถูกต้องควรจะมีเก็บนะเราคิดว่าเดี๋ยวนี้เรามีเงินเท่าไหร่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 อันนี้แหละคือส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งการพนงพนันขันต่อก็เหมือนกันตลอดถึงย า, า้าคัญชายาฝิ่นเฮโดอิ น, นอะไรก็ตามนะเสียงที่เสียหายหจะเกิดขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านของพวกเรานะตามไม่จริงผู้ใหญ่บ้านก็ดีผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านก็ดีอบตก็ดีครูบาอาจารย์ครูโรงเรียนก็ดีผู้เป็นชั้นตัญญชนทั้งหลายควรจะปกป้องดูแลบ้านของตนเองนะ สิ่งไหนที่จะหายนะจะเข้ามาสู่หมู่บ้านของเรามีนักลงนักเลงเอาไฮโลมาตรงมาตกในหมู่บ้านของเราผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นหูเป็นตาต้องบอกกล่าวพวกลูกบ้านเออลูกบ้านเอออย่าไปลุ่มหลงในการพนันเนอร์ถ้า พ, พ่อบ้านที่ดีผู้ใหญ่บ้านที่ดีกำนันที่ดีท่านก็จะต้องดูของท่านไม่ใช่ว่าจะให้ตำรวจมาจับทีเดียวตำรวจเขาจะรู้อะไรเหมือนกับหมอเนี่ยนะ เหมือ น, นเราเข้าไปหาหมอเนี่ยเราไม่สบายเราไปหาหมอหมอก็ต้องถามว่าคุณไม่สบายเรื่องอะไรเราก็ต้องบอกว่าปวดศีรษะนะหมอก็ต้องเอายาแก้ปวดศีรษะให้ถ้าปวดท้องหมอก็จะต้องบอกว่าเอายาแก้ท้องให้ปวดอย่างไรเขาก็ต้องถามนี่ก็เหมือนกันนะชาวบ้านของเราบ้านของเราไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนัน อ, อบอตอ ผู้ทรงคุณุในหมู่บ้านอันนี้ก็คือฝากไว้กับลูกหลานนะอย่าหาว่าหลวงพ่ออย่างลึกลงไปนะโอ้หลวงพ่อเนี่ยจะเป็นผู้แทนหรือเปล่าอยากจะเป็นผู้ปกครองลูกหลานหรือเปล่านี่ไม่ใช่หลวงพ่อนำทำคําคสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมากล่าวเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อสิ่งไหนที่แปลกตลอมเข้ามาในในร่างกายของเราเราก็ต้องบอกหมอเลหมอจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่บอกเขา เดินก็ไปชื้อบือ้อเข้าไปไปยืนต่อหน้าหมอให้หมอรู้เองว่าข้าเป็นอะไรหมอจะไปรู้อะไรหมอก็ต้องถามเรานี้ก็เหมือนกันนะคนในหมู่บ้านคนในชุมชนคนในสังคมของพวกเรานะ่ยจะรู้กันเองว่าใครเดินออกนอกลูก่นอกทางจากนั้นผู้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีผู้เกี่ยวข้องทางบ้านเมืองก็ช่วยกันแนะนําสั่งสอน แต่ทิ้งยังไงก่อนหลงพ่อเนีไม่อยากจะให้ทําอะไรทําให้เสียหายรุนแรงถูกจับกลุมปรับไหมไส่โทษอย่างนั้นมันไม่ถูกเพราะเราอยู่ด้วยกันถ้าจับไหมไส่โทษลงไปนั่นแหละความจีพายก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นนั้นๆอีกเหมือนกันผลที่สูดคนนั้นขายสซนยงขายโซนยางมาสู้คดีกันอีกไงอันนี้ก็ไม่ถูกต้องควรจะบอกกล่าวกันแนะนําสั่งสอนกันพี่น้องอยู่ด้วยกัน เอ่อถ้าคำว่าพวกเรามีน้ําจิตน้ําใจต่อกันกับผู้ที่กระทำผิดกรดูห์มันจะเดือดร้อนคนอื่นไหมทมําให้เดือดร้อนคนอื่นเอ่อทำให้ บ, บ้านของเราไม่สงบร่มเย็นเป็นสุขเราก็ควรจะยดุดเพราะพวกเราได้เรียนได้ศึกษามันโดยการทุกคนอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนเสื่ออันไหนดีเราก็รู้อยู่แล้วแก่ใจสิ่งไหนที่มันไม่ดีจะทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายจะทําให้หมู่บ้านของเรา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 นี่แหละหมู่บ้านทุกวะหมู่บ้านคเหมือนกันนะหลวงพ่ออยากจะให้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะถ้าว่าพวกเราช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่บ้านเมืองให้เป็นหูเป็นตาให้แก่ชุมชนของพวกเราครอบครัวของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันนะอันนี้ก็คือบอกกล่าวหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อ, อบายจำมุกเหตุเครื่องจีพายพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างนั้นนะหลวงพ่อก็ได้นา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 ถ้าบ้านเมืองอยู่ด้วยกัน ร, ร่มเย็นเป็นสุขแล้วแต่เนี่ก็มาศึกษาธรรมะเอาสร้างบุญสร้างกุศลก็สู่จิตใจมันก็ไปได้ที่ไหเพราะเหตุใดเพราะว่าการเป็นอยู่ของพวกเราร่มเย็นเป็นสุขนะแต่ไม่มีเรื่องอะไรเกิดร้อนวุ่นวายแต่เข้ามาสุวัตปาศัสนาก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ช่วยกันคิดช่วยกันอ่านอะไรใช่ไหมแนะนําสั่งสอนกันคุณบิดามารดาเนอะร์ ที่ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วไม่ควรจะปล่อยปะละเลยนะ่ยคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราจากนั้นก็คุณประเทศชาติบ้านเมืองเอ่าเพื่อตนให้เป็นคนดีของประเทศชาติให้เป็นสมบัติของชาติจากนั้นก็ชีวิตครอบครัวสามีภรรยาอย่าไปทะเลถลายออกนอกหลูนอกทางนะเน้อพวกเราให้รักกันเอาไว้ไม่มีใครที่จะรักถ้าคนในครอบครัวไม่รักกัน ไม่ครบกันในพ่อแม่ลูกในสามีภรรยาแล้วพวกเราอย่าไปหวังหาความสุขจากที่อื่นขนาดสามีภรรยาลูกหลานของเราที่อยู่ในปกครองของเรายังหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้แล้วพวกเราอย่าหวังหาความสุขจากที่อื่นเพราะฉะนั้นคนที่ใกล้ใกล้ตัวของพวกเราเนี่แหละคือสามีภรรยาลูกๆของพวกเราเนี่ยแนะนําสั่งสอนเขาเป็นคนดีจากนั้นก็แนะนําเข้า สู่ศีลธรรมเลยทีนีออ่อย่าไปพึดด่งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ่ลูกหลานนะเน้อศีลธรรมคนดีนั่นคืออะไรพระพุทธเจ้าว่าศีลห้านี่แหละเป็นคนดีเ อ, อเป็นผู้มีน้ำใจมีน้ำใจก็คือมีทานะเ อ, อมีทานะก็คือคนยินดีในการทำทานในการเสียสละเมื่อเราได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วบางส่วนเราก็ควรจะแบ่งปันให้พ่อให้แม่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 พออยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระสงฆ์เนี่ยถ้าประพฤติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะทานอาหารมือม้อเดียวฉันมื้อเดียวอยู่คนเดียวระวังกระทั่งความคิดคิดดีหรือคิดชั่วแต่ละวันคิดถูกก็คิดผิดเนีู่้กับความคิดของตนเองอีกต่างหากเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ทําอย่างพระไม่ได้ทําอย่างครูบาอาจารย์ไม่ได้ นี่คือพระของพระพุทธศาสนาคือพระของพระพุทธเจ้าสากยบุตรคือบุตรของพระพุทธเจ้าพวกเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเออพวกเราทําไม่ได้อย่างท่านแหมพวกเราก็ทําบุญทําทานอหมพวกพระสงฆ์นี่จะอยู่เบื้องในนะก็เออเอาประพฤติตนให้เป็นให้สมควรเป็นพระที่แท้จริงแหมเป็นพระที่แท้จริงพระอ ย, อยู่ในหลักอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยแหมจากนั้นพวกเราก็เกื้อกูลหนุนกันทีนี้ บุญกุศลที่พวกเราได้ทําบุญกับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นบุญเป็นเป็นกุศลที่แท้จริงจากนั้นก็พวกเราก็น้อมจิตุทิศส่วนกุศลที่ทานะคือพวกเราได้เสียสละทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็เมื่ อ, เ ม, อเมื่อบุญกุศลได้ทานแล้วกัมีศินที่ีหนสินก็คือรักษากายวายใจให้เรียบร้อยอย่างที่พวกเราได้กราบประทานาศินติดหลวงพ่อให้ศินไปแล้วเนะ่ยคือศินของครว่าต์คือศินห้า ถ้ามีความบากบั่นพยายามอีกรักษาศินอุโบสถศึกษาลิลสินแปดแต่สำหรับรักษาศินห้าเนี่ยโอ้ปิดอวัยิภูมิไม่ตกนรกแล้วศินห้าเนี่ยก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่กล่าวมุสาไม่ดื่มสุราแต่พระพุทธเจ้าท่านไ ป, ไปเทศอยู่ที่กรุงราชคือพวกชาว สากระยะถามพระพุทธเจ้าว่าจะทํำยังไงจึงจะว่าเป็นอุบาสกที่แท้จริงได้ด้วยทำข้อไหนบ้างพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้ า, าตัดเพียงสองข้อนะก็แปลกเหมือนกันสี่ท่าท่านตัดเป็นเพียงสองข้อท่านบอกว่ า, วาอย่าฆ่าสัตว์อย่าดื่มสุราอันนี้จัดว่าเป็นอุบาสกออได้แล้วเออใครข้าว่าไม่ให้ฆ่ากันนะ อ, อไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตคือว่าชีวิตของพวกเราทุกคนใครก็กลัวตายทั้งนั้นไหม อันนี้คือฆ่ากันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อย่าดื่มสุราถ้าคนมีสติเนี่ยสัมปัญญะจะไม่ทําความชั่วเสียหายถ้าคนขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเออพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เพียงสองข้อหลวงพ่อก็แปลกใจทําไมท่านไม่พูดถึงห้าข้อท่านพูดเพียงสองข้อแล้วก็ถามอีกว่าพระพุทธเจ้าขาดปีศักยะองค์หนึ่งเนีย่ยที่ท่าน มราณะภาพไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วท่านดื่มโซลานะดื่มน้ําจันตลอดเมืองนั้นเถอะติดเป็นกินน้ําจันเป็นเป็นนิสัยแล้วติดน้ําจันเมืองนั่นแหะกินเหล้าติดเหล้าเมืองนั่นแหละเวลาเขาตายไปแล้วเขาไปไหนพระเจ้าขา่าเพราะพระเทเจ้าอ่ะเขาเป็นพระโสดาบันนะพวกสากย์ยเนี่ยฮือฮาขึ้นมาเอ้าคนกินเหล้าขนาดนั้นยังเป็นพระโสดาบันได้อยู่เหลือพระเจ้าข่า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 แต่พอที่เขาจะตายจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้กินเหล้าเนี่ยเนี่ยเขาก็ระลึกถึงคุณงามความดีที่เขาได้ยินได้ฟังมาเขาก็สลัดกิเลสเออความชั่วเสียหายที่ตัวหยาบๆออกจากจิตใจของเขาเขาก็ได้สําเร็จพระโสดาบันก่อนที่เขาจะตายฮะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นนะเนีไม่ใช่ว่ากินเมาสุราแล้วก็ตายในในขณะที่เมาสุราแล้วก็จะไปสู่สวรรค์ไม่ใช่เนีมันต้องตัดทิ้งะก่อนในช่วง ปลายปลายนั่นละกันแต่เป็นคนดีเมื่อกันแต่เนี่ยก็เป็นพระโสดาบันได้ทีนี้พระมหานามพระเจ้าสักยะก็ถามพระพุทธเจ้าอีกว่าข้าพระองค์ เ, เข้าไปในกรุงกบิลพัทเนี่ยใครข้าแคงจะปลอมแปลงตัวเข้าไปดูชุมชนมั้งท่านก็เข้าไปในเมืองของท่านเองแหะท่านเป็นพระเจ้าเป็นดินแต่ท่านก็ปลอมแปลงตัวของท่านเข้าไปดูว่าประชาชนเขาไปไงท่านก็ว่า พระองค์เข้าไปในที่แออัดมากวะนะเออเข้าแออัดมากมีเห็นแต่คนเต็มไปหมดเลยเออก็คิดในใจโอ้ข้าพระพเจ้าตายในขณะที่เข้าไปอยู่ชุมชนสังคมอย่างนั้นนะข้าพรเจ้าจะไปเกิดที่ไหนนาเอออันนี้คือถามพระพุทธเจ้าอยู่ว่าข้าพระข้าพระพเจ้าไปอยู่ในชุมชนสังคมสารวนวุ่นวายขนาดนั้นนะไม่ได้เลือดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ไม่ได้เน้ลึกถึงคุณทานคุณศีลคุณภาวนาคุณงามความดีอะไรเลยพี่จะคิดว่าโอโ้ทำไมยุ่งขนาดนี้ออคยดว่าเข้าไปแล้วมันมีจะเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายคนมันแน่นไปหมดนะถ้าพระพุทธเจ้าตายในขณนะนั้นจะไปที่ไหนไปเจ้าขาพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าเหมือนกลุ่มน้ำของเราเนะี่ยปิดฝาให้ดีแล้วก่กอน อ, อกลงไปในใต้ใตน้ำ ในเมื่อใต้น้ำแล้วตุ่มนั้นแตกไงแต่ตุ่มนั้นแต ก, ต แ, ตกแต่ว่าสิ่งที่หนักคือกวดหินหรือฝากระเบื้องนะ่ยมันก็ต้องจมน้ําแต่ว่าพวกเนยเนยใสเนยข้นน้ํามันนะ่ยมันก็จะต้องลอยขึ้นมาข้างบนมันจะไม่อยู่ข้างล่างมันจะลอยขึ้นข้างบนนี้ชันใดพราะพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะท่าว่านี้ชั้นใดร่างกายของเราเนี่ย มันก็จะต้องแตกต้องสลายสู่ดินน้ำลมไปแต่ใจผู้ได้อบรมดีแล้วได้ฝึกหัดดีแล้วได้มาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดทางด้านจิตใจดีแล้วต้องไปทางสูงเสมอโอ้พระเจ้าเถอะเหมือนกับเนยนละยถึงจะอยู่ใต้น้ําก็ลอยขึ้นมาสู่บนน้ําได้นี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติของพวกเราคณะทายาทโยมโลูกหลานทุกหมู่เหล่าถ้าคําว่าพวกเราในขณะที่มาประพฤติปฏิบัติทำแต่บางครั้ง อบางทีมันก็อย่างว่านฉุกเฉินเวลาเราลมหายตายจากไปในขณะที่รถชนหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นประจุว่าประเทศเนี่ยเราจะไปที่ไหนฮะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราคล้ายๆกับไม้มันเอ็นไปทางทิศอทางทิศ ต, ตะวันออกอยู่แล้วเวลามันยังไงมันก็ไปทางทิศ ต, ตะวันออกนี่ก็เหมือนกันเพราะเหตุแบบเพราะเราหวังคุณงามความดีอยู่แล้ว เรามีบุญกุศลอยู่แล้วเมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่คุณงามความดีเพราะนั้นการสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราเป็นคุณงามความดีสมควรที่จะสั่งสมอย่างยิ่งแต่พวกเราทำกรรมชั่วแล้วไงเหมือนกับเรามีหินมีอะไรอยู่ในตุ่มน้าเวลาหลุดลงไปในน้ำมันแตกมันก็ลง เนี่ยจมอยู่ในพื้นน้ำมันขึ้นมาไม่ได้เพราะอะไรมันของหนักในของที่เป็นบาปอกุศลสิ่งไหนที่เป็นบุญกุศลก็ต้องลอยขึ้นมาข้างบนนี่แหละอันนี้ขพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหตุผลให้พระเจ้ามหานามสากยะฟังฮหลวงพ่อฟังแล้วเออมีเหตุมีผลที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเนการอยู่ด้วยกันต้องระวัง ระวังคำพูดในโบราณในเมืองไทยของเราคำพังเพยของพวกเราว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดใครว่าเราอยู่คนเดียวเอเรามาภาวานามาเป็นพระอย่างนี้เราจะมาคิดปรุงฟงซ่านเป็นบ้าอะไรไง่ายๆเหมือนกันนะมันส่งจิตออกนอกรูนอกทางนี่แหละเราไปอยู่คนเดียวในป่านรงฟงไฟไปอยู่ที่ไหนก็เถอะถ้าเราคิดปรุงฟงซ่านออกไปเนี่ย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 พระเจ้าพ ม, มาทั์ของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนะท่านพูดเป็นนิทา น, นเพื่อให้พวกเราจำได้ง่ายนะเนี้ท่านมีนักปราจุผู้หนึ่งนักปราชก็คือเป็นถ้าจะเปรียบเทียบทุกวันก็คือโกงจะเป็นองค์ข้ามณตรีนะมังเป็นผู้กล่าวแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งไหนสิ่งมือนควรไม่ควรอย่างไรทีนี้ปราจที่เนผู้แนะนาสั่งสอนพระราชาท่านก็ให้แนวความคิดให้ธรรมะ เรื่องต่างๆให้แก่พระราชาแต่ว่ามิพระราชาวนั้นนิสัยไม่ไดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นคนชอบพูดมากพระราชาวนี้นชอบพูดมากถ้าหาว่าไปสนทนาพาธีกับใครๆเลยมิตะพูดคนเดียวคู่ที่จะสนทนานั้นไม่มีโอกาสที่จะพูดพูดน้อยมากกพ่าะงั้นผลในสุดก็เนี่นมีแต่ความรู้ของตัวเองไม่มีใครแนะนำบอกกล่าวให้ตัวเองได้ฟัง เขาเป็นตัวเองเป็นคนพูดอย่างเดียวครับอนักปรัชญาอาจารนยะ์จะสอนพระราชาไม่พูดมากอย่างนั้ให้ฟังคนอื่นเขาบ้างเวลาเขาจะพูดนะี่ยเวลาจะพูดเวลาเขาจะพูดเขาแนะนําแล้วเขาพูดอะไรคนเราสนทนากั น, นก็ต้องความคิดของเขาความคิดของเราก็ต้องสนทนากันอันนี้มีแต่พูดอย่างเดียวเนะี่ยไม่ใช่พระเทศเหมือนั้นเถอะเนสนทนานะี่อจากนั้นก็พระราชาท่านก็นักปราชญาท่านก็หาวิธีการอยู่ วันหนึ่งมีหงอยู่สองตัวนกหงนะสองตัวอไปกินไปหากินอยู่ในสระน้ําแห่งหนึ่งอยู่ในป่าหิมะพานเหมือนไนอะไปอยู่ไปกินในป่าหิมะพานไปเจอกระเตา่าแก่ตัวหนึ่งวะเต่าแก่มันก็ะตุมตามตมตามหากินในฝั่งน้ําหั้อนกนนะก็เลยถามว่าเอ้ยเต่าไปเยี่ยมบ้านข้าไหมนกหงนกหงสองตัวเนี่ยไปเยี่ยมบ้านข้าโอ้บ้านข้านะเป็นถ้ำนะ อเป็นถ้ำทองนะที่โอยเขาคิดจกูดนะ่ะเอถ้ำสวยงามเนีย่ยน่าอยู่นะท่านจะไปไหมเต่าก็หัวรอ้องข้าจะไปได้ยังไงขาของข้าสั้นถึงขนาดนี้นกคงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าท่านอยากจะไปท่านบอกกันแล้วกันว่าอยากจะไปเอเราจะมีวิธีกรรมพาไปกันแล้วกันเต่าเออทาว่าพวกท่านมีน้ําใจถึงขนาดนั้นข้าก็จะไปดูหลายๆแห่งเหมือนกัน อแต่โฮงก็บอกว่าเมื่อเจ้าไปกับเรานะเจ้าห้ามพูดอ้ามปี่ปากอะไรทั้งหมดถ้าเจ้าถืนพูดไปเยเราไม่รับรองความปลอดภัยเราจะเสียใจด้วยเพราะว่าเจ้าเอเจ้าจะประสบอุบัติเหตุเต่าบอกว่าเออถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายว่าไงข้าก็าจะต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างเคร่งครัดเหมือนกันเออเอาแต่อย่างนั้นเ อ, อ ตัวโงก็ไปหาไม้แข็งๆเมางหมอนกันแนี่นะให้เจ้าให้เจ้าคาบเนะยคาบกลางไม้นี่นะเราสองตัวเนี่ยจะคาบโคตรส้นกันแล้วจะพาเหาะเลยเหมือนกันพาบินขึ้นทางฟ้าเลยงหมนเต่าก็ทดลองดูงหมื อ, อนทดลองบินอื่นก็ใช้ได้เอโหงก็บอกว่ายาพูดจะปากนะเอผลในสุดเต่าก็รับคำเหมือนทีนี้ก็พอได้วันแล้โงงก็คาบส้นไม้คนละ คนละข้างกันว่ากันเถอะเต่าคาบตรงกลางท่านนอ่หดขาเข้าอย่างดีแล้วว่ากันมันก็คาบไม้หงก็พาม บ, บินขึ้นทางอากาศบินเพื่อจะไปสู่ถ้ำของตัวเองว่ากันพอ บ, นบินบินบินบินไปไปผ่านกุ้งพาราณสีท่านี่มันก็คงจะบินบินไม่สูงเท่าไหร่ไหอคนก็เห็นท่านนี่เห็นบอกโอ้นั่นเต่าหามหงเต่าหามหงเอ เออเทนี้ก็คนทั้งหลายเด็กต่างๆกูวิ่งดูมันดูสิว่าเต่าหามหงวอยคนหนึ่งก็บ่าไม่ใช่หงพาเต่าเหาะฮเอหงหงสองตัวพาเต่าเหาะเหาะไปเทนี้เต่าตัวนั้นมันใคร้ายๆมันพูดมากอยู่แล้วมันเกลือบอกมันเรื่องอะไรของสูเจ้า ว, ว่อข้าจะไปเอเพื่อนของข้าพาข้าไปมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของสูเจ้า ว, ว่ามันมาพูดอะไรวะ เตาตอนนั้นเลอ้าปากเพราะงั้นจะพูดคํานี่พอยะอ้าปากนั้นเต่าตัวนั้นก็นหล่นเล้วลีเลี้วลีลงมาต่ําลงมากลางพารานหน้าพารานพระรัดสว่างฮเต่าตอนนั้นก็นหลังแต่กระจายลงมันตกสูงนะเอทีนี้นก็คนทั้ไหลายก็ล่มมาดูแต่นกโขงก็บินลงมาอีกที่จะมาช่วยมาช่วยไม่ทันไม่ช่วยหลังอย่างไรครับเพราะตัวมันเต่ามันหนักใช่ไหม พอแตกลอมาเจ้าหงษ์นับน็บินไปบินมาวินไมาสองตัวไม่รู้จะช่วยยังไงหง์ก็เสียใจแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยหนีไปแต่นี่ทางคนก็มาดูนักปราชญ์มาดูพระราชาก็มาดูเลยมาดูก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมหงษ์มันจึงตกว่ะนักปราชญ์ท่านฉลาดเ่ยรอบรู้หมดทุกอย่างเลยรอบรู้อดีตอนาคตปัจจุบันท่านก็เห็นท่อนไม้มันตร่นลงไปแล้วเห็นเต่าแตกอีก นักปราชญ์ก็เลยบอกว่าอืมที่เขาเห็นเนี่ยที่มันมาเนี่ยคือเต่าตัวนี้คาบไม้ตรงกลางหงกคงจะพาไปจุดหมายปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เต่าเนี่ยมันคงจะปาดคงจะจะพูดอมันอ้าปากคือมามันก็เลยตกเพราะนั้นท่านผู้ใดก็ตามพูดไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักเวล่อมเวลาก็ทําทให้เสียหายได้นะอะภาราชาก็บอกว่าอ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 เพราะว่ามันตายเพราะปากของมันเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นมาพระลาชาก็สำนึกได้ว่าอืการพูดมากไม่เป็นผลดีเพราะการพูดก็ต้องหาเวล่ํมเวลาต้องรู้จักจังหวะในการพูดเรีอกว่าเกิดประโยชน์จึงพูดไม่ใช่ว่าพูดปรามไปเรื่อยอย่างเนี้ยหากดทาเจนไม่ได้โพดอย่างนี้ก็ไปว่เาเหมือนกระเต่านะี่มันตายเพราะปากเพราะนั้นนิทานนิชาดกเรื่องต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนเอาไว้คือสอนพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละแอบอย่พูดสิ่งไหนก็ให้ระมัดระวังอย่าไปพูดปลามไปเรื่อยสิ่งไหนที่มันจะทะเลาะพิวาทกันก็อย่าพูดสามีภรรยาก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ากันแหนกันแหนอะไรพูดให้ปันกันนั่นน่ะเอบไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกิจนแหนงแข่งใจกับคนที่อยู่ก็มาตบตีต่อยกันแตกแยกสมามัคคีกันพ่อปา่ามีมากต่อมากเพราะฉะนั้นให้ระวังคําพูดนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด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 พาประพฤติปฏิบัติมันความร่มเย็นเป็นสุขมีจริงๆนะลูกหลานนะเอีก็ว่าจิตสงบแล้วนะัตติสันติปรังสุขขังนะความสุขอื่นยิ่ยงกว่าความสงบไม่มีจะเกิดขึ้นกับลูกหลานทุกคนถ้าวัดทําจิตใจให้สงบแล้วก็รู้จักตัวเองอีกต่างหากว่าเมื่อตายไปแล้วนะเมื่อเรานั่งภาวนานะจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วย ต, วตนเองอีกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนยะ์ไม่ต้องถามใครว่างั้นเถะยืนยันได้เร็วตายแล้วเกิด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 ผู้ปฏิบัติก็รู้ได้ด้วยตนเองถ้าไม่ปฏิบัติก็อย่างว่านัา่นนะเราม <ấy> ีแต่นิดมีแต่นึกมีแต่คิด <ตะ S 2> ม <ấy> ีแต่เดาเอาเดาผิดเดาถูกไปแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะ ร, รู้ได้โอ้รสเค็มเป็นอย่างนี้เองเราแตะเข้าไปในลิ้นเอันนี้เค็มนะเค็มมันเป็นยังไงวะถ้าเราแตะเข้าไปโอ้ใช่เค็มเป็นอย่างนี้เผ็ดเป็อนอย่างนี้หวานเป็ออนอย่างนี้อัอนอนี้ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนนั้นแหละ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 อย่าออกนอกลูกนอกทางแล้วก็พ้อมกันกันให้พวกเราอย่าปล่อยป่าละเลยให้รู้จักศีลให้รู้จักธรรมให้รู้จักคุณบิดามารดารู้จักประเทศชาติบ้านเมืองควรจะวางตัวยังไงควรจะทำตนอย่างไรจากนั้นก็ให้ลูกหลานไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีล น, นั่งภาวนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงถ้าพวกเราปฏิบัติแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะ และตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรขอให้พวกเราทุกฐานทุกคนนะอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคนายาิยันมิตรหายของพวกเรา